นะก็คือว่าแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็อยู่ในเพศนักบวชอยู่แล้วและพระองค์ก็ปกครองอพระองค์ก็เป็นผู้ที่ประพฤติธปฏิบัติเนี่ยนะประชาชนเขาก็รักเคารพในพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เลื่อมใสในพระเจ้าจักรพรรดิมีความรักในพระเจ้าจักรพรรดิอย่างแรงกล้าเพรา ะ, ะนั้นก็เลยกลายเป็นกลายเป็นคนวัดไปนะทำบุญทุกอย่างลักษณะว่ามันเหมือนเหมือนกับประเทศทิเบตนะคล้ายๆกับทิเบตทิเบตนั้นจะมีพระปกครอง ราชสมบัติเนี่ยนะปกครองแผ่นดินเนี่ยโดยพระสงฆ์นะนะก็ทีนี้ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่สมัยใหม่เนี่ยมันก็มีปัญหาบ้านแตแกแสลายขากเลยนะพันเอาเอาเอ า, เอาอะไรนะเอาพระภิโสปไปปกครองแผ่นดินอะไรจะเกิดขึ้นพั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ว่าถ้าพูดถึงว่าสมัยพุทธสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกบ้านเมืองเนี่ยอยู่ในอยู่ในธรรมทุกคนเกรงใจพระพุทธเจ้าทุกคนเกรงใจ พระเจ้าจากักรพรรดิเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงสามารถอยู่ด้วยธรรมและก็พระเจ้าจากักรพรรดิก็เป็นผู้เผยแผ่กุศลกรรมบท10ประการอยู่แล้วนะบ้านเมืองเว้นจากปานาติบาตบ้านเมืองทั้งหมดเว้นจากอธินนาธานกาเมสรมิจฉาจาร์โมษาวะปิสุณาวาจาพุทธสวาจาสัมผัสปลาปะทุกขันยินดีที่จะเจริญอานาทิชายินดีที่จะเจริญอภยาบาตยินดีที่จะเจริญสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะเห็นบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้ว ทุกคนก็ปรารถนาน้อมไปเพื่อจะทาบุญเจริญกุศลมันรายได้ทั้งหมดภาษีอากรก็ถวายเป็นปัจจัยสี่ที่นั่งที่นอนแด่พระภิกษุสงฆ์นั่นเองครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งหมื่นโลกาธาตุนะนะหรือว่าอันนี้นี้จริงๆแล้วพระองค์ใหญ่ที่สุดในจักรวาลทั้งมวลนั่นแหละแต่นี้ยกมาแค่หมื่นโลกาธาตุตามชาติเขตพระพุทธเจ้ามีสามอย่างเรียกว่าชาติเขต วิสัยเขตเนี่ยนะพุทธเขตก็วิสัยเขตหมายคำว่าชาติเขตก็คือเขตในแดนที่พระองค์เกิดแล้วก็อาณาเขตอาณาเขตก็คืออนณาเขตของพระปริศชาติเขตเนี่ยหมื่นจักรวาลอาณาเขตเนี่ยอาณาเขตสําหรับพระปริศเนี่ยแสนโกดจักรวาลส่วนวิสัยเขตหาที่สุดไม่ได้ แต่นี่ยกตัวอย่างเฉพาะในส่วนที่เป็นชาติเขตพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยนะได้ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ผู้ที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิออกมาบวชว่าเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดอีกสามหมื่นกับนับแต่กลับนั้นยังไม่นานนะแค่สามหมื่นกับเองนะพอฟังมาตั้งเสียสงไข้แล้วใช่ไหมฟังมาเสียสงไข้เจ็ดหมื่นกับมาแล้วนะ ก็เหลือแค่อีกแค่สามมือนกลับไปอีกไม่นานเท่าไหร่จริงก็จะบรรยายให้จบก่อนไ ป, ไ ป, ไปอินดีประจบซ้านะไม่จบเลยพระตารคตออกอภินศษสกรมออกบวชนะคือพระพุทธเจ้าของเราอะ่แะและลึกไว้เสมอว่าพราะองค์นั้นออกเนคขมมะออกบวชจากกรงกบิลพัทอันน่ารื่นรมเสร็จแล้วพระองค์ก็มาตั้งความเพียรรมทุกะกิริยา พระตถาคตประทับนั่งณโคนต้นอชปาลนิโครธนัรับเข้ามาทุปยายญาติณที่นั้นเสด็จเข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชาราพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุบายญาติณริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราเสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโพเพรึกโคนโพ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แต่นั้นพระผู้มีพระยศใหญ่ทำประทักษิณเวียนขวาโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรู้ที่โคนต้นโพพฤกต้นชื่อว่าต้นอสถะเวียนขาเวียนขวาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เดินประทักษิณลักษณะแบบคือเอาอาสนะมาปูแล้วมันหวั่นไหวไปทุกทิศก็เลยมาสำเร็จทิศทีทิศตะวันออกนั่นแปลว่าเวียนขวาเพื่อหาที่นั่งมางั้นเถอะ พูดภาษาเราง่ายก็คือเวียนขวาหาที่นั่งเวียนขวาหาที่ตั้งบาลังแล้วก็ตั้งเสร็จนะทิศตะวันออกมันก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นโพพระพุทธเจ้าหรือท่านผู้นี้คือพระเจ้ักรพรรดิพระองค์นี้ที่จะตรัสรู้ในอนาคตอีกสามหมื่นกับคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะมีพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางมายาพระชนกพุทธบิดาพระเจ้าสุดโธทนะท่าน พระองค์ท่านจะชื่อว่าโคตมะโคดเนี่ยนะโคตมะโคตแบบอย่างที่เราสวดในอาตานาติยะสูตรก็พระอังคีรศักพุทธเจ้าก็คือองค์เดียวกันนั่นเองอังคีรษัแปลว่าผู้เป็นแดนเกิดแห่งรัศมีเนี่ยนะรัศมีที่ส่านออกจากโปรกายก็ได้ พระพุทธเจ้าของเรามีพระอัคารสาวกชื่อวโกริตะโมคลานะอุปติสสะรีบุตเป็นผู้ไม่มีอาสวะทั้งสี่ปราศจากราคะที่นำไปสู่พบมีจิตสงบตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเป็นต้นพระองค์มีพระพุทธผทธอุปถากดูแลบำรุงเป็นปกติคือพระอานันทเนี่ยนะยี่สิบห้าปีสุดท้ายยิ่งเป็นเหมือนเงาติดตามตัว เป็นผู้ที่คอยบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระองค์จะมีอักขรสาวิกาสาวกผู้หญิงที่ออกบวชชื่อว่าพระเขมามเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะอดีตเมสีพระเจ้าพิมพิสารและอุอ บ, นนบุวรนนบุตรเศรษฐีทั้งคู่นี้ก็ไม่มีอาสวะทั้งสี่ประการปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่น โพลึกต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าต้นอสัทะหมายคำว่าพระองค์นั่งอยู่ณที่โคนต้นไม้ใดรวบรวมโพทิปัคติธรรม37ครบถ้วนบริบูรณ์ต้นไม้นั้นเรียกว่าต้นโพนะรวบรวมเรียกว่าเป็นที่สถานที่ปรุงปรุงอริยมรรสําเร็จนะปรุงอริยมรรสของพระองคอ์อันประกอบไปด้วยอะไรสัมมาทิฏฐินนะ สัมมาทิฏฐิอันนั้นก็คืออะไรวิมังสิตที่บาทปรุงปัญญียปรุงปัญญาพภะปรุงธรรมวิจยสัมโพธชงปรุงสัมมาทิฏฐิอันนี้คือปรุงปัญญาปรุงสัมมาสังกัปปะคือสมถะทั้งหลายทั้งสมถะวิปัสนาปรุงสัมมาวาจาปรุงสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวโดยเฉพาะทั้งเจตนาและวีรตินะปรุงสัมมาวายมะคือสัมประธานะวิริยทตที่บาท วิริยินทรีวิริยะพระวิริยะสัมโพชฌงและสัมมาวายามะเป็นสถานที่พระองค์ปรุงสตินทรีนะปรุงสติปฐานสีปรุงสติอ่าสตินทรีปรุงสติพระปรุงสติสัมโพชฌงและก็ปรุงสัมมาสติได้เสร็จสิน้นเป็นสถานที่ที่พระองค์พอกพูนปรุงแต่งกุศลธรรมคือสัมมา สมาธิเนี่ยนะสัมมาสมาธิก็คือจิตติดที่บานะเป็นสถานที่พระองค์ปรุงสตินสมาธินสีสมาธิพละสมาธิสัมโพชงแล้วก็ปรุงสัมมาสมาธิตั้งกับระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเลยจตุตฌานเมื่อได้ฌานสี่จิตเบาอ่อนควรแก่การงานแล้วก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติ เมื่อนะจากการระลึกชาติก็เข้าฌานใหม่ออกจากฌานก็น้อมไปพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็เข้าฌานใหม่เข้าออกจากฌานแล้วก็เจริญปฏิจจสมุปบาทพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจนตรัสรู้อริยสัจ น, นะตรัสรู้อริยสัจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าปรุงก็คโคนต้นไม้ใดเป็นที่ที่ให้พระองค์ทมวิจัยสําเร็จ ไม่ใช่ว่าไม่ได้รวบรวมเครื่องมือข้อมูลอะไรมาเลยมาถึงก็มานั่งนะไม่เชื่อคนที่ไปต้นโพไม่ได้บรรลุ ก, กันทุกคนโรคเฉพาะชาตินี้นะชาติต่อๆไปไม่ชาติแต่พูดถึงว่าเฉพาะชาติเนี้ก็เราถ้าเกิดเพื่อเขาเปิดรัวให้เราเข้าไปนั่งแพนตรงนั้นก็ไม่ได้แปลว่าอนะกลัวโรคอื่นมันจะกําเริบมาสิโรคที่กลาที่เลื่อนโรคเรือนเป็นต้นกุดถังกันโทกีราโศโสโส โ, โ, โ, โรคพวกนี้มันจะเข้ามาแทนอันนี้นะ เพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่ที่ควรเคารพสักการะบูชาเป็นสถานที่ที่ของผู้มีบุญท่านไปนั่งประชุมอารย ม, มรักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันะต้นไม้อันนั้นเป็นชื่อว่าต้นโพต้นอสัตถะเนี่ยนะนะแต่ถ้าใครอยากจะไปดูต้นจริงเลยก็ต้องไปดูที่ศีลังกาศีีังกานั้นมีมีกิ่งที่ที่ตอนมาจากต้นไม้ตรัสรู้แต่ถ้าเป็นต้นปัจจุบันนี้ก็เป็นต้นที่ สี่แล้วเนี่ยนะที่ทายทอดมาเป็นหน่อมาปลูกนะีรุ่นที่4ี่แล้วก็ต้นนี้ก็รู้สึกว่าเป็นต้นที่มาจากลังกานะเป็นต้นมาจากลังกาเป็นหน่อจากศีรษลังกามาปลูกเนะีนะ่ยแต่ก็แต่ที่สําคัญว่าไประลึลกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าพูดถึงเหมือนดวงอาทิตย์เกิดวัดเป็นสถานที่ดวงอาทิตย์คือปัญญาจะโผล่ขึ้นมาในโลก เป็นเป็นสถานที่ที่ดวงตาปัญญาเกิดขึ้นในโลกจักษุของโลกก็เกิดขึ้นเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นอริยสัตว์เป็นต้นนะโดยเฉพาะเห็นสัตว์อะไรเห็นอดีตเห็นอนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตนะหรือว่าเป็นดวงตาที่เห็นอริยสัตว์เป็นดวงตาที่รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นดวงตาที่ชี้นําประโยชน์แก่ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้กระวัตสั่งสอนประโยชน์ทุกอย่างเป็นสถานที่เกิดขึ้นดวงตาแห่ง โลกพร้อมทั้งเทวโลกสถานที่ตรงนั้นก็ได้เกิดขึ้นอีจใจอย่างหนึ่งบรรยายพุทธวงเสร็จก็ไปไหว้พระเัมืนนั่นนะพระอัครอุปถาคุปถาของพระองค์ที่เป็นอุอบาสกเหมนะันชื่อว่าจิตตะจิตตะพหบดีกับหัตถะอละวะกะเนี่ยนะนะอัครอุปถายิกาของพระองค์นะนะนั่นนะนันทมาตาและอุตรา ก็คุชุดตาอุบาสิกานั่นแหละพระโคดมพระองค์นั้นเนี่ยนะผู้มียศเกิดในสมัยมีพระชนมายุร้อยปียุคพวกเราเนี่ยนะยุค ก, ก่อนเราอ่ะนะเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะหลังจากที่ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาติสุชาตะผู้เกิดดีแล้วพระองค์ผู้มีพระคุณที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนอ น, นะผู้สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่เทวดาและมนุษย์พอฟังพุทธพจน์ ที่เสียงเหมือนเสียงมหาพรหมตรัสพยากร์พระโพธิสัตว์ของเรานี่ก็ปราบเปิ่มปีติโสมนัสว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธทางกูลแปลว่าว่าที่พระพุทธเจ้าในอนาคตจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกแน่นอนหรอคือสามหมื่นกับเท่านั้นแหละหมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลกก็พากันโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนัมสการกล่าวว่าเขาดีใจมากเลยนะอีกแค่สาม 0,000 ื่นกับ ก็ถามว่าโอ้โหใครจะไปทนวาดทนไว้ใครจะไปอยู่ได้พอโทอยู่กันมาตั้งนานร้องให้น้ําตา ม, มากกับน้ําทะเลก็เห็นอยู่กันปัจจุบันเนี่ยนะก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเสียเลือดเสียเนื้อเสียเหงื่อเสียน้ําตา ม, มากกับน้ําทะเลก็เห็นอยู่กันมาได้แต่ไม่ใช่ทะเลนี้ทะเลเดียวมหาสมุทรทั้งสี่ก็แค่สามหมื่นกับใช่ไหมก็ไม่นานเท่าไหร่เนี่ยนะไม่นานตอนนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดเราพลาดจากคําสอนของพระพุทธเจ้า พระโลกกนานศะสุดชาติพระองค์นี้นะอนาคตตการอีกสาม0มื่นกับพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านพวกนี้พวกนี้แหละพวกที่ตั้งความปรารถนาถึงว่าอด้วยบุญกรรมหลายอย่างทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาจักรวาลไหนก็ช่างเถอะพอพระพุทธจเจ้าตรัสรู้พวกนี้จะมาไม่รู้มากันได้ยังไงนะแต่ว่าด้วยคำว่าพุทธโกราหนเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแล้วก็หมื่นโลกธาตุเนี่ยได้สองสว่างตั้งแต่พระองค์ประสูติ ตอนที่ตรัสรู้มื่นโลกาธาตุก็ส่องสว่างมันกระเทือนักันไปหมดมันเทวดาผู้มีบุญระดับสูงเขารู้เลยว่าแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นสว่างทั่วมื่นจักรวาลเนี่ยมันหมายถึงแสงอะไรแสงอันนี้แสงการปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์แสงอันนี้เป็นแสงการ ป, ประสูระตรของพระโพธิสัตว์แสงสว่างอันนี้เป็นแสงสว่างที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้แล้วอีกกี่วันมาพระพุทนี่มียนาคตังสยามเดียวพระพุทธเจ้าจะ ประกาศอริยาศาสตรแล้วเราจะไปฟังธรรมพวกนี้ก็เลยในที่สุดก็ได้ฟังธรรมนะพวกนี้บรรลุกันเยอะๆเลยที่บรรลุไอจำนวนตัวเลขเป็นโกดๆเนี่ยเพราะกลุ่มเราเนี่ยตั้งความปรารถนามาแล้วพวกที่ตั้งความปรารถนาเพื่อจะฟังธรรมรวมทั้งเทวดาและมนุษย์เห็นไหมก็เลยพวกนี้ก็เลยเปรียบว่าถ้าหากว่าเราพลาดการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิหรือปฏิบัติตามแล้วไม่บรรลุ ทำกิจในอริยสัจไม่เสร็จสิน้นท่านอนาคตขอขอให้อยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ก็แปลว่าเมื่ออยู่ก็ขอให้ได้เข้าไปใกล้ท่านผู้นี้เมื่อเข้าไปใกล้ก็ขอให้งี้โสตลงฟังทรงจําพระธรรมคําสอนที่พระองค์แล้วก็ที่สําคัญก็คือขอให้ตรัสรูบ้บรรลุทำตามที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำเนี่ยนะพลาดท่าน้ําเฉพาะหน้า ก็ถือเอาท่าน้ําข้างหลังขัดไปเพื่อจะข้ามแม่น้ําใหญ่ฉันใดพวกเราทั้งหมดนะถ้าหากว่าพลาดหรือว่าผ่านพน้นพระชินเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารทั้งห้าพระองค์นี้ถ้าเกิดพลาดอย่างนั้นอนาคตอีกสามหมืนกับข็ให้พวกเราได้อยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตพระโพธิสัตว์เนี่ยผู้เป็นพระเจ้าจักพัฒน์หลังจากทําบุญเนี่ยนะ เสร็จแล้วได้รับพยากรอย่างนั้นก็ร่าเริงดีใจอธิฐานอธิฐานะบารมีขึ้นมาเลยเพื่อที่จะปรารพวัดอธิฐานเพื่อที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญเนี่ยคำมะอบรมปัญญาภาพเพียรด้วยวิริยะมีคันติยิ่งๆ่งขึ้นไปตั้งสัจจะวาจามีอธิฐานเมตตาอุเบกขานะทั้งบารมีสิบอุปปารมี1ิบปรัมภบารมีสิบส บ, บีปรั เขาเียว่าเขาเว่ า, วางวดเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีตอนแรกเหมือนกับว่าถ้าเป็นละทีเขาบอกกวนสมุทรให้เป็นน้ํานมเนี่ยนะไปเรียกว่ า, ก ว, ากวนทะเลให้เป็นน้ำำาาําอัปตะอันนี้ก็เหมือนกันเรียกว่าบุญบารมีเขาค่อยบีบเข้ามาให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นไปสร้างบุญให้มันหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ปรารบที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะท่านก็เลยเล่าเรียนพระสูตรวินยัย และนวังขัสดสัตว์ทั้งหมดอย่างพระศาสนาของพระเจ้เจ้าให้งดงามอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่ตรัสรู้สิ่งเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในอนาดีตตรัสรู้ชั้นใดพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ตรัสรู้ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็เหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้สิ่งเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่เป็นว่าที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงเล่าเรียนไว้ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะถือว่ากันพลาดนะ่ยนะ เธอว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสําคัญที่สุดว่าจากนั้นไปสามหมื่นกับตัวเองจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไอ้ระหว่างเนี่ยสามหมื่นกับเนี่ยนะถ้าไม่เรียนวินัยของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ดีไม่เรียนศึกษาคําสอนเอาไว้ให้ดีแล้วถามว่ามันจะชัดเจนไหมมันต้องเรียนแผนที่ไว้ให้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าองค์เนี่ยท่านแตร่สรู้อะไรท่านสอนอะไรเพราะ้นเก็บข้อมูลส ต, ติทั้งหมด เพราะว่าคือสิ่งที่ตัวเองจะเป็นในอนาคตต่อไปเพรา ะ, ะนั้นก็เลยศึกษาเล่าเรียนทรงจําประพฤติปฏิบัติตามทุกประการเข้าใจเจตนารม์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าแทบจะทุกอย่างเป็นคนที่เข้าใจเจตนารมของคําสอนทุกอย่างนะนั่นเรื่องนะถ้าเป็นกฎหมายเรียกว่ารู้หมดเลยพระราชบัญญัติข้อนี้มาจากอะไรมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น น, นะอาศัยเหตุการณ์จินตนาการเหล่าได้จึงบัญญัติตัวบทกฎหมายเหล่านี้ขึ้นมา มันมันมีความครอบคลุมแค่ไหนอะไรยังไงมีผลบังคับใช้แค่ไหนอย่างไรให้เราเข้าใจปรัชญากฎหมายทั้งหมดฉันใดผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เข้าใจหมดเลยว่าพระพุทธพจน์แต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านี้มาจากอะไรแสดงทําไมเพื่อประโยชน์อะไรผู้ปฏิบัติตามแล้วได้รับประโยชน์และความสุขเหล่าใดถ้าไม่เข้าใจก็อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็สอบถามนะถือว่าเป็นศาสดา ข, ของโลกอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นผู้มีบุญนะเป็นจักรพรรดิเนี่ยนะ เป็นที่เกรงใจของประชุมชนไม่ใช่น้อยบังก็หลายๆอย่างก็ถือว่ามีอภิสิทธิ์พิเศษสามารถเข้าเฝ้าได้สามารถที่จะฟังคําได้ง่ายสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ในยุคนั้นถือว่าบริวารของท่านทั้งหมดท่านท่านก็มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมพระไต ร, ร, รปิฎกปัญหาเรื่องบ้านเมืองดูแลการปกครองก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคนดีๆเขาดูแลช่วยกันปกครองอยู่แล้วเนี่ยนะ คนดีๆก็ช่วยดูแลกันปกครองกันอยู่แล้วเพะแั้นก็เลยสามารถเล่าเรียนคําสอนขณะเดียวกันเมื่อเข้าใจคําสอนแล้วก็เปิดเผยคําสอนของพระพุทธเจ้าให้งดงามแปลว่าแผ่กว้างไกลไปในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเขาเหล่านั้นก็ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นะก็แปลว่าช่วยเหลือ ง, งานพระพุทธเจ้าตเต็มที่เนะพราะว่ากิจของพระโพธิสัตว์ก็คือ คำว่าตถาคตเนี่ยมีความหมายอธิบายหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีใจกรุณาต่อพระพุต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็มีใจกรุณาเช่นนั้นคล้ายแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเท่าะนะคล้ายหรือตามหรือเหมือ น, อ น, น, นก็ทําตามเพรา ะ, ะนั้นก็เลยในส่วนของประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็ทําอย่างเต็มที่ ในส่วนของประโยชน์อสุตะทรัพย์คือสุตะจากพระพุทธเจ้าท่านก็เรียนอย่างเต็มที่และประโยชน์ผู้อื่นที่จะช่วยโอวาทแนะนําให้คนอื่นศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติตามคําสอนก็ได้ทํากิจเหล่านั้นอย่างเต็มที่และที่สําคัญฝ่ายตัวเองก็ไม่ประมาทในพระศาสนาไม่ประมาทในอธิศีลอธิ จ, จิตและอธิปัญญากลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้ น, ะ น, นอย่างในัำพีเนี่ย ท่านเป็นกลุ่มไม่ใช่ศึกษาพระธรรมประเภทคนนับโคนะนะหรือคนนับโคว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฟาร์มโคอยู่กี่ฟาร์มแต่ละฟาร์ม่ยมีกี่ตัวแต่ละตัวให้น้ํานมเท่าไหร่แล้วมาวัดนะอ่ะนะเออแต่ละตัวให้น้ํานมกี่ลิตรแล้วแต่ละลิตรเนี่ยถ้ารวมกันแล้วมันได้กี่ถังไปไม่ใช่เป็นประเภทพวกศึกษาอ่ามาแบบประเภทพนักงานรับจ้างเลี้ยงโคอะไรทั่วไปไม่ใช่ท่านศึกษาประเภทว่า ศึกษาเพื่อจะเป็นทายาตรับอริยสัพย์รับมรดกจากพระพุทธเจ้านะนะหรือไม่ก็แบบว่าพระโ พ, พ, ะพธิสัตว์ทั้งหลายหรือผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมนั้นอ่ะไม่ได้ศึกษาอริยสัพ์ประเภทนะประเภทไหนไม่ได้ศึกษาอริยสัพ์ประเภทหรือกลุ่มที่เรียกว่าพนักงานนับเงินนับทองแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ใช้เงินใช้ทอง เขามีอย่างบางแห่งเนี่ยนะพนักงานนับสตังค์เนี่ยโอ้ยต้องยักยอกเขาไม่ได้เลยนะเขามีกล้องส่องตลอดห้ามยักห้ามยอกผิดกฎหมายจับทันทีอนะไรเามีอยู่บางประเทศอย่างเงี้ยนะสถานที่มันมันมีตังค์เยอะมากเลยก็พนักงานก็ไปห้ามเอามือซุกด้วยห้ามเอามือล่วงกระเป๋าด้วยอะไรด้วยนับสตังค์ตรงนั้นไปถ้าเอารวมกระเป๋ามาแต่แล้วขนาดนั้นเขาก็ตรวจเขาก็เช็คเนี่ยนะแม้กระทั่งเรื่องพับกระดาษเรื่องอะไรเขาดูแลเรื่องการเงินดีมากเลย บางพวกมีหน้าที่แค่เจ้าพนักงานนับเงินนับทองนับเพชรนับพลอยว่ามันเหลือกี่ชิน้นมันขาดไหมอะไรไหมแต่ว่าแต่ละเพชรอันนี้เรียกว่ามีกี่กระดาษกี่เม็ดขันใดบางพวกที่ศึกษาพระธรรมก็ฉันนั้นไม่ได้ศึกษาเพื่อจะเป็นเจ้าของทรัพย์ของพระพุทธเจ้าแต่ศึกษาเพื่อ น, นับทรัพย์ให้พระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยนะในฐานะที่ว่าเวลาแห่งการศึกษาพระธรรมน้อยนิด ไม่ขี่ปีเนี่ยนะศึกษาเพื่อนับหรือว่าศึกษาเพื่อเป็นทายาตรับอริยสัพย์จากพระพุทธเจ้าพ่านต้องพยายามศึกษาเข้าใจว่าศึกษาเพื่อจะได้เป็นเจ้าของธรรมเหล่านั้นนะนะแต่เจ้าของในฐานะผู้รับมรดกจากพระรตนะตรัยผู้รับมรดกจากพระพุทธเจ้านะันเราก็เจริญรอยตามว่าพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างไรคําสอนมุ่งอย่างไรแล้วก็ ผู้ที่ปฏิบัติตรัสรู้ตามคําสอนนั้นท่านทํากันอย่างไรท่านจึงได้ตรัสรู้รำตามพระพุทธเจ้าเป้าหมายความเข้าใจเหล่านี้ต้องพยายามเกาะเอาไว้ให้ดีๆไม่อย่างนั้นก็ศึกษาในฐานะผู้เป็นพนักงานคนหนึ่งที่เข้ามานับว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดมีกี่เล่มแต่และเล่มมีกี่หน้า แต่ละหน้ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ละหน้ามีกี่ยอนหน้าแต่ละยอนหน้ามีกี่บรรทัดแต่ละบรรทัดมีกี่อักขระแต่ละอักขระสระอาสะอามีอะไรบ้างเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็ก็เป็นพนักงานรายวันศึกษาคําสอนไปเนี่ยนะก็อย่างที่พระองค์ใช้คำว่าอ่าในอัตถกาถาท่านบอกว่าพวกพนักงานเลี้ยงโคแต่ไม่มีโอกาสที่ดื่มปัญจโครสอันนี้พุทธพจน์ตรัสเลยนะเป็นผู้นับโคนับจํานวนโคเท่านั้นเอง ก็ต้องพยายามศึกษาเพื่อจะรับอริยทรัพย์จากพระองค์น่ยนะพระองค์ต้องการมอบมรดกเหล่าใดให้เราเราก็พยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อรับมรดกรับอริยทรัพย์รับเอาคุณธรรมเหล่านั้นและคุณธรรมอันนี้เราต้องพยายามเช็คตลอดว่าเออเราเนี่ยหลายท่านก็บอกเขาก็เป็นผู้มีทรัพย์นะนะรับมรดกนะเป็นผู้รับมรดกเนี่ยได้มาเยอะแยะเลย ก็ต้องเช็คดูว่าของแท้เนี่ยมันเป็นยังไงจะได้รู้ว่าของเทียมมันเป็นยังไงเพราะว่าปฏิรูปมีไม่ใช่น้อยในยนะัสั ธ, ธรรมะปฏิรูปประกะสูตรพระองค์ก็ใช่แสดงว่าะนะเหมือนกับเงินแททองแท้กับทองปลอมถ้าสีถ้าทองปลอมมันไม่เหมือนกับของแท้เขาก็ไม่เรียกว่าทองปลอมแต่มันแสดงว่ามันคล้ายกับของแท้มันจึงเรียกว่าของปลอม หลายๆอย่างมันคล้ายอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ฉั้ใดการศึกษาพระธรรมคําสอนก็ฉันนั้นเนี่ยนะังั้นพระองค์ก็ตรัส ก, กับพระมาหากระสปะว่าที่าศาสนาของพระองค์อันตรทางก็เกิดจากสัทธธรรมปฏิรูปเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพระธรรมคำสอนดังนั้นคําสอนก็เลยแปลเป็นอื่นไปเพราะฉะนั้นธาตุดินน้ําไฟลมไม่ได้ทําให้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าโมฆะบุรุษบางพวกเนี่ยทำให้คําสอนของพระองค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไปเนี่ยนะ ก็กลายเป็นว่าผู้ผู้บุคคลทั่วไปก็เลยไปซื้อซื้อของประดับเหล่านั้นนะ่ะนะนึกว่าของแท้ที่ไหนได้เนี่ยนะนะเก็บเอาเม็ดกรวดมากรองหรือเต็มคำว่าหลายตาช่างหลายกิโลก็นึกว่าได้พลอยได้เพชรมาเยอะแยะเลยแบบนั้นเหมือนกับว่าเข้ามาในพระศาสนาได้อริยทรัพย์มากมายที่ไหนได้นะรับซื้อกรวดมาตั้งเยอะแยะเนี่ยนะเอาไปถมถนนเขาก็ไม่รับอีกนันก็พยายามที่ว่าศึกษาว่า เราได้อริย์ยัราบจากพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างไรบ้างและอะไรบ้างเนี่ยนะนะแล้วก็แต่ละอย่างคู่ควรไหมพอไหมที่จะพ้นทุกพยายามกําหนดทิศทางแห่งการศึกษาพระธรรมให้ดีว่าศึกษาเพื่อรับมรดกฟังธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ศึกษาพระธรรมนะฟังไม่ใช่ศึกษานะนะคําว่าฟังแปลว่าได้ยินเนี่ยนะนะแต่ถ้าสุตารมยปัญ ญ, ญาเขาแปลว่าจําไม่ได้และเข้าใจวัตถุประสงค์ทุกประการ แต่ที่เรียกว่าศึกษาหมายคำว่านึกถึงและปฏิบัติตามนั้นน่ะเจริญตามนั้นปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าศึกษาอันนเสกขาเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจรารณาเมือ่ออธิษฐานให้มันมีอยู่ในใจคุณธรรมเหล่านี้เมื่อมีอยู่ในใจแล้วให้งอกงามเจริญเ ง, งยเงยงอกงอกเจริญยิงย่งๆขึ้นไปภาวนาเติบโตยิงย่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละจนกว่าอน น, นคุณธรรมเหล่านี้คู่ควรแก่การพ้นจากความทุกข์นี่ยนะ ซึ่งอย่างพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในพระศาสนาเนี่ยนะก็แสดงว่าในระดับวิปัสสนาญาณอย่างน้อยก็สังขารุเปกขายานเนี่ยนะหรือว่าสังขารุเปกขายานเนี่ยนะช่างระหว่างวัฏ ต, ตะกับวิวั ต, ตะได้เป็นอย่างดีส่วนสมถะทั้งหลายพรหมวิหารท่านก็อยู่แปลว่าท่านอยู่ในเอ่อเยี่ยงตามรอยอริยวิหารอยู่ในพรหมวิหารแล้วก็อยู่ในทิพวิหารฉนั้นก็ โจติก็ไปสู่พรหมโลกเนี่ยนะพูดถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาติเนี่ยนะพระสุชาติตพระองค์นี้ผู้สแสวงหาพระคุณสแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่สแสวงหาคุณธรรมให้แก่พระองค์เองด้วยสแสวงหาคุณธรรมให้แก่สาวกทั้งหลายสัพพสัตวทั้งหลายด้วยพระองค์นั้นมีเมืองเป็นที่เกิดชื่อว่าสุมังคละนคร สุมังคลานครแล้วเมืองนี้เกิดมามีมงคลเหมือนกันปฏิบัติตามมงคลได้พระพุทธบิดาของพระองค์พระนามว่าพระเจ้าอุกตะพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางประภาวดีพระองค์ครองคารวาตวิสยัยเป็นคารวะาอยู่เก0 0พปีทรงมีปร า, าสาทสามสามสามปร า, าสาทชั้นเยี่ยม สหลังอะ น, นะชื่อว่าสิริอุปสิริและจันทน ะ, ะ, นทะมีพระมเหิเสมีสนมนารีแต่งกายงดงามคอยรับใช้ดูแลบำรุงทั่วไปเนี่ยนะประมาณสองหมนสาพันนางอัครามหิเสคู้บุญบารมีของพระองค์ที่สร้างบุญร่วมกันมาก็ชื่อว่าพระนางสิรินันทาพระโอรสของพระองค์ชื่อว่า พระอุปเสนะเนี่ยนะพระอุปเสนสมัยพุทธเจ้าของเราก็มีนะพระอุปเสนน้องพระสารีบดุลอุปเสนวังคันตบุดเนี่ยนะแต่นี่หมาว่าชื่อพ้องกันนะเชื่อบาหลีมันก็มีอยู่เท่านี้มีไม่กี่ชื่อนะก็ซ้ําๆกันไปซ้ําๆกันมาเนี่ยนะก็เหมือนชื่อภาษาไทยนะถ้าชื่อคนไทยแท้ๆมันจะซ้ํากันเชื่อซ้ําๆกันอยู่นั่นแหละนะตามมีตามมายายมีตามมาก็มีอยู่ไม่กี่ชื่อหรอกนะวกไปวนมาก็อยู่ไม่กี่ชื่อจริงๆภาษาไทยนะ พระชนะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะก็คือพระสุชาติตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เห็นนิมิตสประการคือคนแก่คนป่วยคนตายแล้วก็เห็นอะไรนักบวชเนี่ยนะเห็นนักบวชแต่ที่สําคัญท่านก็เห็นเด็กแล้วละ่ะคือลูกของท่านเองพอเห็นนิมิทตทั้ง4ี่ประการก็เสด็จออกเนคขมะด้วยยานคือม้าค่ายโ พ, พธิสัตว์ของเรานะพระองค์ก็ตั้งความเพียรอยู่9เดือน รวบรวมคุณธรรมรวบรวมโพธิปัจจะธรรมที่จะให้ตรัสรู้วิธีเจริญวิสุทธิเนี่ยนะโดยเฉพาะวิสุทธิหกข้อแรกใช้เวลาเจริญอยู่9เดือนนะสีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามคายาณทัศนวิสุทธิปฏิปทายานทัศนวิสุทธิใช้เวลารวบรวมในการเจริญเนี่ยประมาณ9เดือนเต็ม พระมหาวีระสุชาติพุทธเจ้าผู้นำโลกผู้สงบอันเท้ามหาพรมอาราธนาแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรประกาศอริยสัตจณสุมังคละราชุทยานอนุดมแสดงว่าแสดงพระธรรมจักรเมืองที่พระองค์ประสูตินั่นแหละนั้นใครที่จะไปบูชาสังเวชนียสถานพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไปไม่ยาก เพราะว่าเมืองที่ประสูตรก็เมืองเดียวกันเมืองที่แสดงธรรมจักเมืองเดียวกันดีไม่ดีก็ที่พระองค์ตรัสรู้ก็ไม่ไกลจากที่ตรงนั้นสบายเลยนะไปที่เดียวเลยได้หลายแห่งเลยคันี้พระมหาวีระเจ้าเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ผู้นําโลกผู้สงบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ปกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยสัปดาห์ที่แปดน้อมไปเพื่อไม่แสดงธรรม ก็คือพิจารณาเห็นความสุขุมลุ่มลึกของอพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็เห็นว่าหมู่สัตว์เนี่ยมีอะไรเป็นที่มายินดียินดีในรูปเสียงเปลี่ยนรสเป็นต้นนะนะกถ็ถ้าเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะก็เหมือนกับว่าพระไตรปิฎกก็ลึกซึ้งอย่างที่เรารู้กันนะว่าเป็นคัมภี์ที่มีเนื้อหาค่อนข้างลึกซึ้งหมู่ชนทั้งหลายเขาต้องการรูปเสียงเปลี่ยนรสเนี่ยนะเวลาเขานิดเดียวนะเนี่ยจะเรียนพระไตรปิฎกว่ายัางไงนะ คนเขนาว่าคนสอนพระไตรปิฎกเลไไม่รู้จะทำยังไงเมื่อกี้น้องไปเพื่อให้เธอเอาไงดีเมื่อกี้น่ะนะบอกอะไรนะพระไตรวิฎกก็ยากยากต้องแบ่งเวลาให้ตั้งวันหนึ่งต้องหลายชั่วโมงนะั่นแหละศึกษาพอจะเข้าใจได้แล้วศึกษายาวและต่อเนื่องปัญหางานเขาก็ยุงย่งยุ่งเลนะเรื่องตามแต่ละเรื่องยุ่งมากเลยนะ่ะก็เลยเข้าใจยากอริยสัจเนี่ยก็เลยคําสอ น, นยากมากนะี่แหละก็เป็นอย่างนี้แหละพระองค์ก็เลยน้อมพ้นข่ายไม่สอน เสร็จแล้วก็พรองก็มาอาราธนาว่าคนที่พอเรียนได้พอรู้มีอยู่นะนะเสร็จแล้วพระองก็ประกาศพระธรรมจักรณนะสุมังคลาราชเจ้าทยานอนุดมพระสุชาติพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระองค์นั้นมีพระอัครสาวกคือสาวกชื่อวสุนันทะและสุเทวะพุทธอุปถาชื่อวพระนารทะอัครสาวิกาอุปถะนะ สาวกฝ่ายหญิงก็คือพระนาคาและพระ น, นาคาสมาลาโพเพลกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่ามหาเวรุต้นไผ่ใหญ่ต้นไผ่นั้นอนะ่ะคนลสายพันธ์กับไผ่ปัจจุบันเพราะว่าไผ่ต้นที่พระองค์ตรัสรู้เป็นลำต้นตันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีไม่กลวงแปลว่าไม่กลวงข้างในมีใบามากลำต้นตรงเป็นไผ่ต้นใหญ่ หน้าดูหน้ารื่นรมที่จริงอ่ะถ้าต้นไผ่เนี่ยถ้าเราคิดดูนะเคยเห็นพุ่มไผ่ไหมแล้วเอาเอากอถ้ามารวมเป็นเป็นลำต้นแล้วก็มีพุ่มอย่างไรนะจะร่มเย็นขนาดไหนถ้าหาว่าถ้าใครที่เคยเห็นไผ่พุ่มเนี่ยนะหรือว่าต้นกอไผ่ที่มันมีพุ่มแล้วก็ลําต้นที่ติดติดติติดติดกันแล้วก็ใบก็เป็นพุ่มนะก็เหมือนกับคล้ายๆกับสนนะคล้ายๆแบบนั้นแต่ก็ไม่เหมือน